You're wrong. ก่อนการปฏิบัติบูชาซึ่งการแสดงออกของคก่อนนั้นก็มีในได้ในประการบางคนก็สร้างโรงานของเยี่ยงหอยนัมาลงงานหอยวาอะไรในบุญท่านใครที่ัคิดอยากจะทำอะไรเพื่อเป็นความดีถวายบุญท่านเรได้แตสพวกเราคนที ดี้มาโปรดรุ่นในการทำบุญกินแบบนี้เราบริบูชาแน่กระน้องทางโรุษนี่เงโปรดร่นจากยีเนี่ยเราายเป็นพระโปรดรุนแต่โปรนัเมื่อเรามาถึงงานความดีของพระโปรนั้นเราก็เอนวัน I believe that. ในความยามมากของรัชชูสุใหญถ้งเมื่อการหลางไปจนปัจจิบันเราก็เห็นบ่าเรามถึงหนึงขึ้นมาทั้งหมดทั้งหมวนี้มีพระบาทสมเดิจพรา่ในพระองค์ท่านพระกองเพร์พระรัตนกสนทร์เจ้าท่านทเด็กทอ้งหลังพระคืออยู่เรื่องราวของคนงามทคนั้งหมับเกิดนแทนริารมงเราอยู่รอบั มันเราทำให้นแก เป็นที่รักแก่ทุท่านทั้งวันวิ่ที่พระบาทสมเจพระจุลจมเกจ้อยู่หัวทั้งทรงแยกทางไว้นั้วตามทั้ง่งไว้ตั้งท่านได้ขึนองราดทางแรกมาท่านตั้งปัจนหาไว้บ้างรปุกข์องแผ่นดิดยธรรมือประโยชสูตรของปรชาชนชาติชาติแะท่านก็ได้ทรง้ปฏิบัติอย่างนั้นด้วย กน้องผลของการพื้นฐาิในพระราชดาลขององคัทาก็ทำให้เป็นที่ยอรับแก่ประชาชนโลกและพระทีคกราบชาทยดันั้นธรวมาที่บกใชายอย่างถูกต้องนันตอสวดอธิษานเป็นธรรมะที่ กาคนบอกร้ายท่นมันแต่เดียวท่าน็จะบอกร้ายโลกมุ่งรายมุ่งของพุทธชนของโลกมุ่งอภินันทชนจของโลกใะายมาบอรามาวไรใส่ไรใส่ศีลเจ้าของผู้จบอกพิทักษ์อรจาป็อาหริพุทธบุรุนี่เป็นธรรมะเโอสมารุาดีเอระเศษ ก็เขาเลยเขาจะอยของเราพวานางานควาดีถ้าเขาเป็นผร้ยชนอยู่ก็จะทานายังมีรักบ้านนี้เข้าใเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องนาแต่ถ้าเขาที่มีสุขปัญญาแล้วกองดูด้วยความใจเปี่ยมเมก็จะเห็นแงานความดีของตเพราะผู้นั้นตัว ผูิกนโยบายดำเนินนโยบายนกอย่างยัมีองการประมีมากมายให้ประชาชนยูดีกินดีกามอัราาซึ่งผลเรานี่ยเกิดมาเนี่ยเกิดมาตามที่บังับทุกคนเกิดมามีๆตามของตนเกิดมาํามที่บังตาของตนของตนเกิดมาแล้วทุกคนก็มีความอยากให้ทุกคนอยู่ดี ก็ตาฝนตาให้มีความเฉยเยอเกิอปูลมีความเมีนตามสิ่งเคยเป็นผู้ากาตาออกมาสดิไั่ด้แต่ก้เนั้นร้อนนั้นมันมีแบบตางใหม่ถึงในดำยังไง่็ดำมันก็ช่วยได้เข้าทีช่วยไดนี้เมื่อเดกุณพิจากามาตัดสิแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะพาคนไปสวรรค์ไปที่พานคนไปดูโลกมันเยอะแยะเล แล้วมีปาตาของตอง้ยังอยู่ในรรคองก่าตนนะครับม่สามารที่จะี่ากตานี้ไปได้ตอให้มีคนอื่นมาช่วย ออกให้มีความสุขได้เพราะธรรมะทาสอนของพุทาศาสนาที่ของศาสนาพุทธต่อให้ามมีความดีความพอเียงหความพอดีงั้นไคที่มาไปด้ปฏิบัติเราก็สามารถจะทให้เกิดความสุขได้ความสุขของเรานั้นมันก็มีความสุขทางร่ากายทางจิตใจความสุขทางร่างกายนั้นอาศัย เือพาดีพอใส่ถ้าเราไม่ฟื้นเบอร์มันเกิด่ถ้าเรามีความพอเียพอเพียงผู้ทุกอย่างในประเทศสี่มีความเป็นอยู่สาหรับขอให้เราจิานดามสภาพของเราเนะี่ยไม่พอเพื่อความโลภจเกิดใหม่มันก็พอเพียาพอสุดตามสภาพของเราขอเรามีสภาพดีมีปรารถนาขัา้ใหสุนุลประกอบอาชีการงานได้ น, นี่เราเป็นมีวามสุดนะส่วนวนะของมร้จิตใจนล้นี่ยมสุ ยึดตามรองมีการปฏิบัติตามความสุดตอนนี้เราจะเกิดขึ้นแก่เราต้องมีมีภาสัยอะไเลยเรารู้จักปฏิบัติกลมนตามแบบนั้นว่าสมเด็จพระัจ้าอยู่ในพรมองคนั้นท่านทรงทำเปิดเป็นเวงาทั้งที่เป็นักานศักษาในหลวงก็ทำจนบ่อน้อม คนเดีวนั้นคนนั่งกีนดีคคนเดียวนั้นแต่ทาให้โลกันทุกคนสุขภาพงดน็เปลี่ยนไปนตั้งทาร่างาตั้งาง่านาตังสติปัญญาของโลกนั้นและเราแสขโลกของรัฐบาลขอรากาของประชาชนทุกคนแต่เจตนาของท่านัเพื่อยาไรวินลนีเียพระฉะนั้นพวกเราที่ว่ากาที่ได้ งานวามดีเดลกาที่ได้มาบางอย่างของพกเราในการเอาวาตัดินกันคอยตัดสนวกเาใที่เป็นประยสงสนะคนรเพราะฉะนั้น